เพื่อเป็นสิริบงคลแล้วก็เป็นการฉลองกุฏิใหม่ไปพร้อมกันคืนแรกที่ท่านเจ้าคุณพระวินัยกิจติโกศลและก็ลูกศิษย์นี่เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้หรือว่ากุฏิหลังใหม่เนี่ยท่านเจ้าคุณนอนในห้องเรือนหลังใหญ่ส่วนห้องเรือนหลังเล็กเป็นที่พักของพระสองรูปแล้วก็เนนห้องถงตรงระเบียงเป็นที่อยู่ของเด็กลูกศิษย์สองคนคืนแรกทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นปกติสุข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 รอคอยเวลาที่จะออกมาละวาดทุกขณะจิตเวลานี้ก็คือเวลาซึ่งไม่ผิดกับประตูแห่งมิติได้เปิดออกให้วิญญาณร้ายเน่เข้าสู่โลกมนุษย์อีกครั้งหนึง่งเวลานั้นประตูใหญ่ตรงบันไดซึ่งปิดลงดานแน่นหนามั่นคงเปิดผางเสียงดังสนั่นวันไหวเด็กลูกสิบสองคนที่กําลังก้มหน้าคมตาดูหนังสือเงยหน้าขึ้นดูเห็นบานประตูทั้งสองบานเปิดอ้าเต็มที่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 พราะมันแสดงถึงความประสง์รยอย่างถึงกี่สุดเหมือนกับถ้าถาโถมเข้ามาฆ่าได้มันคงทำแล้วผีคนแก่ผมยาวในยืนจ้องถะมึงถึงอยู่ครูใหญ่ก็เดินทึ่งท่งเฉียดกลุ่มพระเนรเข้าไปในห้องท่านเจ้าคุณโดยไม่หวั่นเกรงแม้แต่น้อยเมื่อผีไม่กลัวพระอย่างนี้ท่านเจ้าคุณบินัยกิจกลัวสนก็ต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้เสเองคือนันพั น, ท, นท่านแล้วก็พระเ น, นเด็กลูกศิษย์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 คงเนื่องจากยังไม่มีใครโดนงูเหา่าหรือว่างูมีพิษชนิดอื่นกัดแม้แต่รายเดียวคืนหนึ่งนายอ่อนไปหาปลาที่หนองบัวถึงเวลาดึกดื่นค่อนคืนนายอ่อนก็นอนพักบนแคร่ในเพลิงใกล้สว่างคืนนั้นมีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยก็ไม่กัดนายอ่อนนั้บนแคร่ทําให้ในายอ่อนสิ้นใจตายอยู่ในเพิงนั้นเพียงคนเดียวกว่าจะมีคนรู้ว่านายอ่อนตายก็ล่วงไปถึงตอนบ่ายวันการที่งูเห่าขึ้นไปกัดนายอ่อนนั้บนแคร่นี่เป็นเรื่องผิดปกติ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 ในยุ้ยพูดขาดคําตรงป่าสนุก็เกิดเสียงสวบสราบใบสนุสั่นกราวเหมือนจะมีใครกํำลังเดินข่าออกมาในยุ้ยใจเต้นคขุมครามคขุมครามกระชับด้ามเหล็กแหลมแทงปลาไหลเอาไว้มันคิดในใจว่าชะดีชะรไรในกูทิ่มด้วยเหล็กแหลมแทงปลาไหลนี่แหละ ว, วะแล้วเจ้าของเสียงสวบสราบดังกล่าวก็โผล่พรวดออกมาจากป่าสนุมายืนทำ ง, งานอยู่ข้างหน้าในยุย้ย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 หลวงพ่อชื้นเห็นว่าใช้ไม้นวมไม่ได้ผลท่านก็เลยต้องหันมาใช้ไม้แข็งขยับไหวไล่ผีในมือถ้ามึงไม่เอาอะไรก็ออกไปออกไปพนกขืนชักชาเล่นแง่ยอยู่โดนไหวายในมือกูนะแน่หรือมึงจะลองดูวิญญาณในยุ้ยคงจะเห็นหลวงพ่อชื่อเอาจริงก็รับปากว่าจะออกไปเดี๋ยวนี้ต่ขอเหล้าขวดไก่ตัวญาติของในยุ้ยก็ให้สัญญาว่าจะจัดหาให้ภายหลัง วิญญาณในอ่อนยังออกไปทันทีในยุ้ยก็ได้สติอาการเจ็บไข้ได้อะก็ค่อยๆผ่อนคลายหายไปแต่ว่าผมบนหัวนี่ร่วงหลุดหมดทุกเส้นกลายเป็นคนหัวโรนเนื่องจากรัวผีในอ่อนสุดขีดท่านพระครูประกาศสมาธิคุณท่านเล่าบอกว่าเปรตนี่จะไม่มีเจตนาหลอกใครถ้าแสดงตัวหรือว่าส่งเสียงร้องก็เพื่อขอส่วนกุศลผลบุญเท่านั้นแต่พวกอสุรกายนี่ไม่เหมือนกัน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 มันก็หยุดตามหลวงตาดวงแล้วก็หันเดินไปทางหลังวัดพระเนินตามไปดูมันเดินเข้าไปในป่าชาก็ไม่มีใครตามเข้าไปวันนั้นทั้งวันเด็กๆคุยกันเรื่องไอ้คนบ้าหัวโกรนนี่เอเริ่มเรียกกันว่าไอ้บ้าหัวโขนบางคนก็เรียกไอ้โรนบ้ายิ่งรู้จักเด็กวัดว่าไอ้หัวโกรนไล่หลวงตาดวงมันก็พากันกลัวพอตอนเย็นกลับบ้านเด็กก็ไปเล่าให้พ่อแม่ฟัง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 แต่วันนี้เงียบเงียบจนน่ากลัววันนั้นเด็กเล็กว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อเลยอ่ะพอบอกเดี๋ยวไอ้ดยามแดงจะมาในเท่านั้นั น, นเงียบจี่เลยเข้านอนเงียแต่หัวค่าเสร็จแล้วในความมืดก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกรีดร้องลั่นแหวกวามมืดดังมาจากทางบ้านเหนือแล้วเสียงนั้นกงเงียบหายไปเพื่อนบ้านก็พากันตกใจคนอยู่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 ชาวบ้านคนหนึ่งเขามองลอดแผ่นกระดานลงไปเห็นใครคนนึงหลบอยู่ใต้สะพานตรงช่วงคอสะพานเนี่ยมันรกอมีต้นไม้าเยอะเขาก็ร้องใครอยู่ใต้สะพานน่ะฮะใครเท่านั้นน่ะไอคนที่อยู่ใต้สะพานก็ออกมาตัวสูงโยงหัวแม่งนุง่งผ้าเหลืองพระผืนเดียวอ่ไอ้ยามแดงนั่นแหละถือจอบเงื้อง่าตั้งท่าดูได้ตำรวจกับชาวบ้านก็ช่วยกันล้อมไว้มันก็พุ่งเข้าใส่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 ขนาดกลางวันนี่มันยังหลอกคนเด็กเด็กเดินข้ามสะพานไปโรงเรียนได้ยินเสียงมันหัวเราะออวิ่งกันใหญ่เด็กขวัญห น, นีดีฟอเข็ดขยะหวาดกลัวไม่กล้าไปโรงเรียนทางหลังหมู่บ้านเยอะว่าจะเด็กเลยพวกคูใหญ่ยังไม่กล้าไปทางสะพานคนเดียวหน้าน้ําท่วมน้ําในคลองบางนกแวกนี่เต็มเปี่ยมบางทีก็ล้นหลากท่วมหมดเหลือแต่สะพานชาวบ้านก็ต้องใช้เรือพายไปพายมาไปทําบุญก็พายเรือไป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 ขันอลูมิเนียมที่คว่ำอยู่บนฝาโอ่งมันเลื่อนตกกระทบพื้นดังเพลงแล้วกระดอนไปอ่าคุณสุชาติเขตกใจมองไปทางพระเอ๊ะท่านก็นอนนิ่งไม่ขยับตัวท่านนอนตะแคงหันหน้าข้ออ่าข้างฝาเหยียดขาไปทางทิศตะวันตกท่านตัวสูงใหญ่ผิวคล้าหูกลางนุ่งผ้าสะบองอ่าสีเหลืองจีวรเหลืองเข้มๆอ่ะอ่าแล้วก็หนุนหมอนไม้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 นะตอนนั้นเขาเขาส่งศพพระนี่เอาทางหัวลงมาก่อนเพราะช่องมันแคบนะทีนี้พอน้ำมันมันหกลงมาเต็มจีบอนเลยนะตกใจหรื อ, อยังไงไม่รู้ศพก็เลยเลื่อนไหลพลื้ลงมาคนข้างล่างกระโดดหลบกันเฮ้ยเฮ้ยศพแข็งคือหัวทิ่มลงไปที่พื้นดินผลักนะเห็นกับตาเลยว่าหัวพับคอหักนะผู้คนถอยกรูดกันหมดเสียงอุทานเมื่อสักครู่นี้เงียบกริบ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 คุณสุชาติเองวิ่งหลบไปหลังยายเพราะว่าศพหลวงตาแท่งนิกกระดกขึ้นมายืนตัวแข็งทื่อคอห้อยอยู่ตรงนั้นเนี่ยยายในร้องเสียงหลงเลยอคนอื่ น, นเงียบกริบบางคนตั้งท่าจะวิ่งหนีเอาซะด้วยซ้ำเพราะมันน่ากลัวเหลือเกินลุงแนบได้สติแล้วลุกขึ้นมาแกเอาไมายา้ยาวๆท่อนหนึ่งฟาดแคร่ดังปักไอไก่ที่เกาะ อ, อยู่บนต้นมะเฟืองเนี่ยพากันตกใจร้องป๊อกป๊อ แม่ไก่ตัวหนึ่งตัวดำบินพรึบพรึบมาเกาะที่ศพที่ยืนโดนี่ศพก็ล้มตึงลงไก่ก็ตกใจอีกร้องกระตากระตากัะลั่นและเพนหนีไปทางหลังลอมฟังนะไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ศพแม้แต่ยายทุกคนจ้องไปที่ศพเป็นตาเดียวตอนนั้นศพนอนอยู่ไม่ห่างจากแค่ที่จะใช้หามน่ะหัวหันพับไปทางเหนือลุงแนบก็ยังถือไม้อยู่มันยาวราวๆสองวาอ่า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 ตําเมี่ยงแกก็บอกว่าเอา้านี่มันจะเย็นจะคั่แล้วนะฮะพวกเรานี่จะเอาอยัางไงก็เอาตําเมี่ยงในตัวดำลํำสันอันนี้คอน้ำตาลเมาแบบเดียวกับตาแนบแ้วแตะกินยังคนละวงไม่ค่อยลงรอยกันนะเมาแล้วชอบแขวกกันตําเมี่ยงแกพูดอย่างนั้นแล้วก็ก้าวเข้าไปเอื้อมมือจะทําท่าจะไปแตะที่เท้าศพแต่ยังไม่กล้าไปนั่งยองๆ อ, อยู่ใกล้ๆนี่ท่านอย่าเหี้ยนเลย เรามันก็เคยเที่ยวหัวหกก้นเกลิดกันมาก่อนน ะ, นะนะพูดได้แค่นั้นอะถ้าไหนไม่รู้ศพพลิกตัวนอนตะแคงหรือว่าใครจะไปวางที่มันเอียงอยู่ยังไงไม่รู้ศพตะแคงได้ตําเมี่ยงโดดตัวลอยเลยเอ่าหงายหลังก้นจำเบ้าถอยกรูดออกมายายนี่ร้องไห้โอหอ่าทีนี้พวกญาติผู้หญิงก็ร้องไห้กันบั่งเสียงยายบอกจะทํำยังไงการจะทํำยังไงการ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 อ้าวญาติญาตินะเอาทูบนะมาจุดบอกเล่าเสียช่วยกันท่านจะได้สงบนเวียนก็ไปหยิบทูบมาจากบนเรือนจุดทูบไหว้กันหลายคนอแม่คุณสุชาติด้วยกลิ่นทูบก็ลอยไปในอากาศสมภานก็ชี้ไปที่ตาแนกกับตามเมี่ยงอที่นั่งอยู่ตรงนั้นเอาสองคนนั่นด้วยเร็วเข้าสองคนมองหน้ากันแล้วก็ทําตามไปขอทูบจากนาเวียนนั่งลงพนมมือไหว้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 มาให้เจ้าอาวาสที่อยู่วัดใกล้ๆนะ่ะรถน้ำรถน้ำมนตพอรู้สึกตัวหนานสุกก็เล่ า, าบอกว่าเมื่อคืนฝนตกหนักก็เลยเอาไปใช้กับไม้ออกไปตีกบที่ท้ายหมู่บ้านไม่ไกลจากที่ที่พระทุดงที่มรณภาพไปแล้วเนี่ยเคยปักหลดกำลังเพลินๆก็ได้ยินคนเดินอยู่ข้างหลังนะแล้วเวลาเดียวกันเสียงหมาหอนก็ดังแว่วมาจากหมู่บ้านจนขนลุกวังเวงอย่างบอกไม่ถูกทีเดียว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 คืนนั้นคุณเพนสีนอนกกลูกจนแกหลับนะแล้วก็มานอนข้างสามีหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มารู้สึกตัวเมื่อมีลมล่ะลมมากระทบตัวหนาวเยือกไปถึงกระดูกเลยทีเดียวคุณเพนสีก็รู้สึกสังหรณ์ใจว่าอาจจะเกิดเรื่องร้ายก็ลุกขึ้นไปอุ้มลูกมานอนแนบไว้ ก, กับอกเสร็จแล้วเสียงสุนัขที่เลี้ยงไว้ก็โกงคอหอนกันเสียงเย็นเสียงหมาหอนวนเวียนอยู่รอบบ้าน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 ก็ทำให้คุณเบนสีเห็นหน้าสามีได้ถนัดดวงตาของเขาลืมพลงแต่ว่ามันไม่ใช่แววตาของเขาก็ค่อยค่อยลุกขึ้นยืนก็มองเห็นว่าในมือขวาของเขามีปืนพกไอเออตโตเมติกขนาดก้ามมอที่เขาสอดไว้ใต้หมอนถืออยู่ด้วยนะไม่ดีแน่แล้วตอนนั้นคุณเบนสีก็อุ้มลูกลงจากเตียงนอนราบกับพื้นชิดขอบเตียงหูได้ยินเสียงปืนสนั่นจนแสบแก้วหูเสียงเปรี้ ย, ยง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 พอรู้เรื่องราวทั้งหมดพวกชาวบ้านก็ออกความเห็นว่าจะตามหมอผีมาปราบผีพระแต่ว่าคุณเป็นศรีก็บอกว่าเมื่อคืนในผีพระทุดงมาอรารวาที่บ้านจนเกือบจะตายทั้งหมดฉันว่าควรจะทำบุญใหญ่สักครั้งฉันจะเป็นแกนนาชาวบ้านก็จะช่วยก็ขอเพียงข้าวหม้อแกงหม้อก็พอก็ปรากฏคุณเป็นศรีเป็นหัวแรงไปนิมนต์หลวงพ่อจะอาวาสวัดที่ใกลกับหมู่บ้าน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 งานบุญที่ตอนแรกจะทำมันเพียงหมู่หนึ่งก็กลายเป็นงานบุญสามหมู่บ้านสามีของคุณเพนสีกับพรรคพวกไปรับพระที่จะมาสวดธรรมจักทุกองค์ที่ได้รับนิมนต์ต่างก็เดินทางมาที่วัดตั้งแต่เมื่อวานพระเข้าประจำที่รอมรณายการัตนารัตนาศีลอารัตนาพระปริษเสียงสวด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 ช่วงพระพักสวดอภิธรรมจบที่สามก็ดังออกมาจากด้านหลังตลอดเวลาเจ้าภาพกับคนที่มาช่วยงานก็เดินกันวันกไวพระสงฆ์สีรูปก็ลงมาที่ศาลาเรียบร้อยแล้ววายาวัจกรก็กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลห้าคนที่มาร่วมงานก็พนมมือไหว้อยู่ในอาการสงบนานๆก็จะมีแขกที่มาใหม่เข้ามาสมทบสักทีนึงงญาตเจ้าจภาพก็พาไปเคารพศพ แล้วก็กลับมานั่งฟังพระสวดอภิธรรมพระสงฆ์ก็เริ่มสวดอภิธรรมขึ้นตน้นโดยนำเสียงที่เยือกเย็นกุศลาธรร ม, มากุศลาธรร ม, มานะกลิ่นธูป ก, ก็อบอวนคระคลุงไปทั้งศาลาบรรยากาศก็ดูวังเวงจะมีเสียงกระซิบพูดคุยกันบ้างจากคนที่ไม่ค่อยรู้กาลเทศะแต่ส่วนใหญ่้วจะนั่งพนมมือฟังพระสวดในอาการสงบเสร็จแล้วในแมน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 ปรากฏว่าสางนี่มาพบรักเป็นหนุ่มโรงงานทํางานที่เดียวกันแรกๆเขาก็เป็นเทพบุตรในดวงใจของเธอแต่หลังจากที่เธอตกเป็นของเขาแล้วธาตุแท้ของเทพบุตรก็ปรากฏออกมาว่าจริงๆแล้วเทพบุตรก็คือหน้า ก, ากากที่เขาใส่ไว้เพื่อจะหลอกขยี้ความสาวของเธอหลังหน้ากากเทพบุตรนี่มันเป็นซาตานชัดๆเลยที่ทำให้เธอน้ําตาตกมีชีวิตที่เศร้าหมองแล้วก็อับเฉาลงทุกวัน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 อยู่ๆเทียนที่จุดสว่างแท่งโตก็ดับบูบลงทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีลมพัดเข้ามาเลยแขกที่ฟังพระสวดกำลังมองที่หน้าโลงทองเนี่ยเห็นเข้าถึงกระสดุงเหลียวหน้ามองกันเลิกหลักกลิ่นเหม็นห้องศพในโชยออกมาคลุ้งอบอวนสาลาปนกับกลิ่นทูบมันก็เหม็นหืนจนคลื่นไส้ไวัยาวัจกรแก่ล ะ, ะกระซิบกระติดแมนที่นั่งข้างๆ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 สะดุ้งสุดตัวเลยแต่ไม่กล้าร้องแล้วรีบสั ก, กิดให้คนที่อยู่ข้างๆดูลุกคนทั้งโรงครัวก็เห็นร่างของหญิงสาวชัดเจนทุกคนว่าเธอคือนางสางนั่นเองผีสาวที่นอนอยู่ในโรงนั่นแหละเสียงหมาหอนกันช่วใกล้ๆตอนนั้นกลิ่นน้ำเหลืองจากศพเหม็นฉุนกึกเลยอ่าเสร็จแล้วใครก็ไม่รู้ตะโกนบอกผีหลอกเท่านั้นละวงแม่ครัวแตกกระโจงทุกคนกระโจนพรวดออกมาข้างหน้า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 หล่นแล้วกลิ้งออกมาเพราทุกคนเห็นถนัดจากนั้นเสียงกรีตดตกใจด้วยความกลัวสุดขีดเสียงระงมไปหมดแล้วทุกคนที่นั่นก็เพ่นแนบแม้แต่พระกุณเจ้าทั้งสี่รูปก็ลุกขึ้นยืนเสียงวายาวัจกรก็ตะโกนบอกที่คนที่เพ็นออกจากลาทุกคนบอกว่าให้ไปที่กุฏิหอฉันว่าอย่างนั้นคุณยายหลายคนที่มาฟังพระสวดแม้จะอายุมากๆกันทั้งนั้น แต่บัดนี้ความชาราของสังขารไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการวิ่งเลยเพราะรวมหมู่กันบนหอฉันตั้งสติได้ผู้เท่าหลายคนก็ทำท่าจะไปลมเสียงวิภาควิจาร์อึงคนึงหลวงตาจรรันสมพานก็รีบออกมาจากกุฏิสอบถามเรื่องราวหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะไปที่นั่นเอาสัประราะ ม, มากับอาตมาก็ออาแล้วกันคนดีกล้กาไปด้วยกันไปจัดการศพแล้วก็ขาวของต่าง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 มึงรู้ไหมที่มึงพูดเมื่อกี้เนี่ยมึงกําลังรอเล่นอยู่กับใครเจ้ามืดกว่าหันไปทําหน้าทะเลนก บ, บังหมัดโดยไม่แยแสกับคําห้ามปรามของแกอ่ะจริงๆนะบงังเป็นลูกเขยเจ้าเกาะนะดีตายผมว่าเขาท่าดินนะปะที่บ้านก็บอกว่าลูกสาวเจ้าเกาะสวยเสีด้วยนะสิ้นเสียงเจ้ามืดพลันอากาศที่แจม่มใสก็มืดมัวลงอย่างน่าประหลาด ท, าทั้งทั้งดีทองฟ้าสีน้ําเงินเข้มไม่มีเมฆสักก้อน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 ก็นึกดาวเรื่องได้ก็ใจหายว่าเฮ้ย hey, ไอ้มืดตกน้ำเว้ยทุกคนช่วยหามันหน่อยเสียงตะโกนของบังหมัดทําให้คนในเรือทุกลําบริเวณนั้นได้ยินกันทั่วเจ้ามืดก็เป็นเพื่อนเป็นญาติคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เป็นเด็กด้วยกันตอนนี้เรือทุกลําก็ไม่สนใจอย่าตกปลาแล้วต่างรีบถอนสมอวิ่งเรือตามหาเจ้ามืดกันโอละมันสองชั่วโมงผ่านไปก็ไม่เห็นร่องรอยว่าพายน้ําปรากฏให้เห็น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 แล้วสุดท้ายท่านกลับไปก็ไปมรณภาพเพราะว่าตอนนั้นท่านก็อายุมากแล้วนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ที่นี่ก็มาพูดถึงเรื่องของเจ้าพ่อขุนตาลเจ้าพ่อขุนตาลนี่ไม่ได้อยู่ที่ทางรถไฟนะครับแต่อยู่ที่ทางรถยนต์ทางหลวงสายลาปางเชียงใหม่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ประมาณปี2509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 ใหเขามอบรถจิปแลนด์โรเวอร์ตรวจการให้คันหนึ่งก็จุรวมๆสิบคนกับอุปกรณ์อื่นๆโดยทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องน้ำมันแล้วก็ส่วนอาหารการกินการดื่มนะั้นใครปรารถนาจะเอาอะไรก็หาเอาไปเองในวันเดินทางจริงๆก็มีนักกีฬาสตีกอล์ฟรวมทั้งโชเฟอร์อก็มีจำนวนเก้าคน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 คุณทองดีหนึ่งในคณะก็บอกว่าเดี๋ยวว่วเจ้าพ่อขอศีลขอพรเจ้าพ่อให้ชนะกอล์ฟเลยวะวิชิตเจ้าหาเจ้าเหวมีตัวตนที่ไหนกันวะฮะอีโตขอให้ตีกอล์ฟชนะเจ้าตีกอล์ฟเป็นป่าขอทำไมเสียเวลาเปล่าๆในวิชิตเนี่ยพูดไม่เป็นช่วงจังหวะละอ่อแอออแอมันเป็นถ้อยคำรุนแรงใช้คำพูดหยาบๆยาคล้ายๆอ่าที่นี่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 นำเล่านำพาวิชิตไปสู่ทางลบได้ทุกขนทุกแข่งเงี้ยงเง่าอีมแมเจ้าพ่อเจ้าแม่มีตัวมี ต, ม ต, มตนที่ไหนวะก็ต่อปรากฏว่าเดินทางกันไปสามวันที่เขื่อนยันฮีการแข่งขันตีกอล์ฟกวาเต็มได้ความสนุกสนานและมิตรภาพอันดื่มดำการประลองฝีมือสิ้นสุดแล้วอ่ามิตรภาพก็ประทับใจกันนานมีการเลี้ยงส่งชนิดสุดยอดนะ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 แสงไฟหน้ารถสาสองสว่างตลอดแนวถนนอ้าวเฮ้ยมีใครนอนอยู่กลางถนนน่ะนะเสียงในทองดีตะโกนจริงอย่างที่พูดมีร่างของใครคนหนึ่งนอนยาวเหยียดขวางถนนไว้เหมือนคนไม่รู้สึกตัวทุกคนก็วิ่งก็ไปช่วยกันลากยกออกมาพร้อมๆกับรถบรรทุกเบรกเสียงดังส น, นั่นรถสิบลอ้อเนี่ยหยุดได้ห่างไม่ถึงสิบเมตรอ่ะคนขับก็เชิงโงกหน้าโผล่ออกมาดู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 เพื่อมองหาต้นไม้ขนาดพอที่จะรับน้ําหนักคนสองคนได้สบายแล้วพรานเท่าก็มาสะดุดหยุดอยู่กับต้นไซใหญ่ต้นหนึ่งที่มีกิ่งก้านสาขาปกคลุมรกคลึมยืนตระงงานอยู่ริมหนองน้ําพรานเท่าก็เลยเออกคําสั่งให้พรานชุม่มลงมือตัดแต่งต้นไซต้นนั้นเพื่อใช้สําหรับผูกห้างสองสัตว์ในตอนกลางคืนห้างที่ใช้สําหรับเป็นที่พักแล้วก็สองสัตว์ถูกสร้างขึ้นอย่างลวกๆแต่ว่าแข็งแรง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 จะร้อนอกร้อนใจดังไฟฟอนครั้นมวยมอนทุกมีทวีคูณพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับนำูุฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านรายการอาจารย์ยอดปีที่27ครับท่านบุฟังเคยได้ยินคำว่าผีป่ามากไหมครับเคยได้ยินไหมหรือว่าเคยเห็นไหม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 ผมก็เลยบอกให้พวกเราเนะ่ยออกไปจากหมู่บ้านเพราะไม่อยากจกวฟ้าฝืนคำสั่งสอนของคนเฒ่าคนแก่แม้ว่าลูกน้องผมบางคนก็บอกว่าเราน่าจะค้างคืนในกระท่อมของพวกเขาเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้างก็เลยบอกให้พวกเราทุกคนรีบๆออกจากหมู่บ้านไปซะดีกว่าหลังจากที่เสียเวลาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นกว่าชั่วโมงทุกคนก็ได้ชักชวนกันออกมา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 ตอนนั้นนะ่ะผมหมดปัญญาจริงๆว่าจะตามมันไปทางไหนเพราะว่าในตอนแรกก็คิดว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ที่แห่งนี้น่าจะเป็นสุสานของสัตว์ที่มันเอามากินแต่ตัวมันละ่ะมันหายไปหลบอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็เลยต้องขอเสียงทายด้วยลูกธนูอีกสีทานเล่าว่าเขาหยิบธนูพร้อมลูกออกมายืนกลางลานนึกถึงครูบาอาจารย์หลวงพ่อที่เป็นเจ้าของธนูรวมไปถึงเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยกันมา ทำให้เจ้าผีตัวนี้สิ้นเวรสิ้นกรรมไปเสียทีป่าแห่งนี้จะได้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปอธิษฐานเสร็จก็พาดธนูขึ้นสายชี้ตรงขึ้นไปเบื้องบนแล้วก็ยิงท่ามกลางสายตาของทุกคนที่จับจ้องอยู่ธนูดอกนั้นพุ่งเลี้วขึ้นไปข้างบนแล้วตกวูบลงมาคราวนี้แทนที่มันจะแฉลบออกไปกลับดิ่งลงมาปักลงบนกลางลานที่ปกคลุมด้วยใบไม้แห้ง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 ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีอาชีพหาของป่าขายและทุกคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครทราบว่าเดิมทีพื้นที่แถบนี้เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างเพราะไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีใครกล้าขึ้นมาทำมาหากินอยู่บนเนินเขาแถบนี้แน่นอนสําหรับสํานักวิปัสสนาแห่งนี้ในเวลาต่อมาหลวงพ่อสอนได้จัดให้มีการทําพิธีบูชาผีป่าผีเขาเพื่อขอขามาซึ่งนายศรีทาบอกว่า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 ผลสุดท้ายก็เอาผิดกันในรังไม่ได้ในรังกลับบ้านคืนเดียวเท่านั้นก็ล้มป่วยหนักอาการแค่ใกล้ผีเข้าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มักจะพูดถึงเรื่องทรัพย์สินที่ศพเท่าแกปรากฏว่าเขาเดินไปที่หน้าโรงสีตอนหัวค่ำแล้วไปปีนต้นมะม่วงหน้าโรงสีหมาเห่ากันเสียงคร่เนี่ยอยู่ๆก็พลัดตกลงมาหมาก็ไล่ฟัดเขาก็วิ่งหนีตกน้าตกลงมาในคลองตะเกกะกายขึ้นมาได้ ก็โดนหมารุมก็หนีลงไปในาน้ำอีกเมียเท่าแก่ออกมาดูเห็นแล้วก็เรียกตำรวจจับตัวได้เขาก็เล่าว่าเขาเห็นตอนสัปปเปลือยยกศพลงลงเห็นข้าวของมีค่าแล้วอยากได้ก็เลยลักเอาไปขายเอาเงินกินเหล้าหลังจากที่ติดคุกไปพักหนึ่งแล้วออกมาทีนี้บ้าเลยบ้าบ้าบา บ, าบาพูดกับใครบอกกับใครว่าตัวเขาเองแหละ